อิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้หลังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงวิชานั้นคือจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิถูเป็นผู้รู้โลกอย่างจำแจ้งอนุตโรปุริสะธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุคคล ที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าศรัทธาเทวะมนุษย์นังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน้วยธรรมพคขวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว โยอิมังโลกังสะเทวกังสมารกังสะบรามกังสัสมาณบรามะนิงประชังสะเทวะมนุสังสยังอภิญญาสัจิกตวาโเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้แจ้งตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระปาเจ้าพระองค์ใดได้ทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยาณังไพ่รอในเบื้องต้น มัจเจกัลยานังไพระในถ้ำกลางปริโยสานกัลยานังไพระในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวัลปะปริปุ น, นังปริสุทงังปรามจาจาริยังประกาเศเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง พร้อมทางอัฏะพร้อมทั ง, ธธพมทงพยัญชนะกรบดีหรือบุตรของกระบดีที่เกิดขึ้นในตระกูลใดตระกูลหนึ่งในภายหลังย่อมได้ฟังธรรมนั้นเมื่อได้ฟังแล้วย่อมเกิดศรัทธาในพระตถาคตย่อมตรดักเห็นอย่างนี้ว่าคารวะนั้นรับแคบเป็นทางมาแห่งทุรี บรระชาเป็นโอกาสว่างการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติปรมมัญจันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดไว้แล้วนั้นไม่ใช่กระทำได้ง่ายๆเลยถ้าใครเราพึงปลงผมและหนวดกรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดสมัยต่อมา เขากลกลกองโพกทัพย์น้อยใหญ่ละเเรือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเแล้วเมื่อบวชแล้วอย่างนี้ทำความสังวรสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโกจรเป็นผู้มีปกติเห็นเป็นไป ในตัวทั้งหลายแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยการกระทำทางกายที่เป็นกุศลมีว จ, จีกรรมและอาชีวะบริสุทธิ์ถึงบรมด้วยศีลเป็นผู้คุ้มครองถาวในอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติสัมปชัญญะและเป็นผู้สันโดษ และนี่คือรายการธรรมาราบรุตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราเริ่มต้นรายการด้วยการที่ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้านั่นคือพุทธานุสติบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ระลึกถึงสัมมาสัมพุทธะโดยการระลึกถึงคุณสมบัติของท่านมีความเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งคือโลก ว, วิทูเป็นต้น มีความเป็นผู้ที่สามารถฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้อย่าไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นต้นอย่างเงี้ยเราระลึกถึงคุณธรรมตรงนี้นั่นคือพุท ธ, ธานืสติคือพุท ธ, ธะพุโทโธอยู่ในใจของเราแต่มฟังเตี่ยจะได้เคยมีโอกาสไปตามวัดตามวาเห็นพระประธานในโบสถ์ในวิหารหรือผ่านไปที่ไหนเขาสร้างพระองค์ใหญ่มากๆ ก็ไว่าสร้างอาคารใส่พระองค์นี้พระพุทธรูปนี่ไม่ได้หรือว่าผ่านไปตามร้านรวงที่เขากําลังแก่กําลังปั้นกําลังหล่อพระพุทธรูปอยู่เพื่อที่จะให้เราระลึกถึงสัมมาสัมพุทธะระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือบางคนถึงขนาดว่าเอาพระพุทธรูปมาทําเป็นอันเล็กๆ เ, เป็นพระเครื่องห้อยค อ, อไว้เพื่อที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้า เพราะว่าทุกวันนี้แม้แต่เราคิดถึงพระพุทธเจ้านะเราจะไปที่ที่พระพุทธเจ้าอยู่แก็จะไม่ได้เห็นตัวท่านเพราะว่าท่านปริญิาผ่านไปนานแล้วคือคนในสมัยก่อนเนี่ถ้าเขาคิดถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาเขาก็ยังเดินทางไปหาไปพบและได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นี่เขาก็เดินทางไปพบไปหาได้เห็น เห็นตาเป็นๆ เ, เห็นเนื้อกันเป็นๆอันนี้เขาก็ไปพบไปเจอได้แต่เ น, นีทุกวันนี้ท่านผู้ฝั ง, งในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าจริงๆเดี๋ยวเราจะไปเจอพระพุทธเจ้าจะไปพบท่านแล้วก็ทําไม่ได้ล่ะเพราะว่าปรจจุบันนี้ผ่านไปแล้วไปได้อย่างมากก็สถานที่ที่ท่านเคยนั่งอยู่เคยประทับอยู่สถานที่ที่เคยตรัสรู้เคยเดินทางไปเคยแสดงธรรมตรงนั้นตรงนี้ เป็นร่องรอยมีหลักฐานตามประวัติศาสตร์หลักฐานตามประวัติศาสตร์นั้นเขาก็สร้างขึ้นใหม่สร้างเจดีย์ไว้ตรงที่พระเจ้าเคยประทับแต่แต่รอยนั่งของท่านไม่รู้หายไปไหนสร้างไว้ตรงที่ท่านเคยประสูดแต่ต้นไม้ที่ท่านประสูดนั้นก็ไม่รู้ไปไหนสร้างเอาไว้ตรงที่ท่านเคยนั่งแล้วตรัสรู้ต้นไม้ต้นนั้นที่เคยนั่งแล้วตรัสรู้เขาก็ถูกตัดไปแล้วเวลาคิดถึงพระบุตรเจ้าจะไปหาก็ทําไม่ได้ ไปหาเพื่อจ ะ, จะดูร่องรอยมันก็มีความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันแเขาก็เลยมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาแต่เพื่อที่จะให้เป็นที่เคารพที่ระลึกถึงพระพุทเจ้าแต่เพื่อว่าเวลาที่เราคิดถึงเมื่อไร่เราระลึกถึงเมื่อไร่เป็นคือเรื่องเตือนสติให้เรานึกถึงคิดถึงระลึกถึงแต่พวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี้ฟังธรรมานี้อยู่เนี่ยก็ได้ว่าเป็นคนที่เกิดในรุ่นหลัง เกิดในสมัยหลังแล้วเป็นสมัยที่พระพุทธเจ้าปรมิผ่านไปแล้วแต่ถ้าบอกว่าเราได้มีโอกาสมีโอกาสอย่างนั้นจริงๆในการที่จะไปเห็นพระพุทธเจ้าแต่สมมุติว่ามีพระพุทธเจ้าผ่านมาทางนี้พอดีเดินมาบินตาบาดอย่างเงี้ยเราเป็นผู้ที่เกิดในสมัยหลังไม่เคยเห็นด้วยซ้ําว่าหน้าตาสัมมาสมัมพุทธะเป็นอย่างไรเคยแต่ระลึกถึงอยู่ในใจเจอฝันถึงบ้างเป็นนิมิตขึ้นมาบ้าง แต่ตัวเป็นๆเห็นตาต่อตากันเห็นเนื้อเห็นหนังกันเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยดูไม่เคยได้มีโอกาสนั้นเลยแต่ถ้ามีโอกาสนั้นแล้วเราจะรู้ไหมว่าคนคนนี้บุคคลที่อยู่ต่อหน้าเรานี้คือสัมมาสัมพุทธะบางทีมันยากทำฝังในการที่จะเข้าถึงตรงนั้นเพราะแม้แต่บางคนที่อยู่ต่อหน้าพรุทธาเป็นๆตัวเป็นๆเนี่ยแหละก็ยังไม่มีพุทธานุสติอยู่ในใจเลย ยังระลึกถึงสัมมาสัมพุท ธ, ธะไม่ถูกต้องเลยด้วยซ้ำเพราะว่าไปหลงในรูปความสวยงามลักษณะมหาบุรสามสประการบ้างไปหลงในเสียงเสียงที่ได้ฟังแล้วเกิดความลุ่มหลงจิตใจปล่อยวางไม่ได้ไม่เกิดพุทธพุทธโธขึ้นในใจไปหลงติดยึดในจิตในการที่จะบรรลุปเป็นสัมมาสัมพุทธญาณพวกนี้ก็คือพวกที่ปรารถนาพุทธภูมิ หวังความเป็น ส, มสัมราสมบรรญานในจิตตนหลงเข้าไปแล้วก็ไม่บรรลุสถิทำพุทโธเกิดขึ้นในใจไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ท่าฝังว่าวิธีการที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่ว่าการอยู่เฉพาะหน้าอยู่ต่อหน้าเห็นตาเห็นเนื้อกันอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเป็นการกระทาภายนอกแต่การที่จะระลึกถึงเห็นพระพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริงก็ถึงธรรมะที่ได้ทรงสอนไว้ ก็อย่างที่ได้กล่าวมานี้แหละท่านผู้ฟังแต่ว่าเราระลึกถึงคุณของสมาสมุทธิเช่นความเป็นผู้ที่สามารถที่จะสอนเทวดาและมนุษย์ได้ความเป็นผู้ที่สามารถจำแนกแจกตามออกได้เราระลึกถึงคุณธรรมตรงนี้ท่านผู้ฟังเหมือนเราอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าถึงแม้เราจะไม่ได้เห็นตัวเป็นเป็นอยู่ใกล้จับชายสังเกติอยู่ถึงแม้เราจะไกลกันด้วยระยะทางไกลกันด้วยช่วงของเวลา ถึงแม้จะไม่เคยเห็นภาพจริงๆล่ะว่าสูงเท่านี้หุ่นเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นยังไงแ้วระลึกถึงคุณธรรมอย่างนี้คือถูกต้องแลว้วทวกคถ้าเรามีการระลึกถึงอย่างนี้จะมีความมั่นใจบุคคลที่มีความมั่นใจลงใจมีความเชื่อใจในคาสอนที่งดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุด เป็นคำสอนชนิดที่มาพร้อมทั้งหัวข้อและคําอธิบายหัวข้อนี้หมายถึงว่าแยกแยะแจกแจงว่าอ๋อมีอะไรบ้างอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเออเรามันเป็นยังไงเราก็แยกแยะแจกแจงให้เป็นอัตตะคือมีคําอธิบายอ๋อในมรรคนะก็มีสมาธิฏฐิสัมมาสังกปะเป็นต้นแยกแยะแจกแจงไปสัมมาทิฏฐิก็มี2อย่างนะส่วนที่เป็นโลกียะกับส่วนที่เป็นโลกุตระ ส่วนที่เป็นโลยะเป็นอย่างนี้ส่วนที่เป็นโลกุตระเป็นอย่างนี้อธิบายทั้งหัวข้อทั้งรายละเอียดสัมโพชงเป็นอย่างนี้แยกแยะได้เป็นสติสัมโพชงธรรมวิชชาสัมโพชงอธิบายแต่ละอย่างแต่ละรายละเอียดฟังธรรมนี้แล้วจะมีความมั่นใจมีความตรงใจมีความเชื่อใจในธรรมะที่มีความงดงามในลนนักษณะนี้ฟังแล้วรู้แล้ว แล้วก็จะ น, น้อมเข้าสู่การปฏิบัติตามฝังบุคคลที่ฟังทำแล้วและมีความมั่นใจแล้วในคําสอนของพุทธะเนี่ยจิตใจนั้นจะน้อมไปสู่การประพฤติการทําการปฏิบัติทันทีซึ่งการประพฤติการทําการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของใจทันทีอย่างเช่นว่าเรื่องของศีลอย่างเงี้ยการที่ไม่ดื่มสุราเมรัยเป็นต้นการที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เป็นต้นแต่ฟังข้อมูลแล้วรู้ล้ามีความมั่นใจมีความเชื่อใจ ก็จะนําไปสู่การปฏิบัติแต่คือมันไม่เหมือนกับความจําความรู้ที่เราจํามาในสมองรู้มาในสมองนะคือความจําความรู้ที่ปรากฏขึ้นในสมองของเราบางทเราจําสับบาลีได้จําความหมายจําคําอธิบายในแต่ละหัวข้อได้แต่ว่ารักษาศีลไม่ได้มางคนเป็นอย่างไงแต่รู้ละบอสีห้คืออะไรแล้วข้อที่3เป็นยังไงข้อที่2เป็นยังไงแต่พอถึงเวลายุงกัดก็ตบมันถึงเวลามีจังหวะที่จะ มีกิ๊กตทำผิดศีลน่ยนะพูดโกหกก็ลืมตัวเผลอสติในการที่ทําให้มันถูกต้องตามศีลลืมไปเผลอไปเนะี่คือจําได้เฉยๆแต่ว่ายังทําไม่ได้เนี่ยคือมีความรู้อยู่แต่ยังไม่มีปัญญาบุคคลที่จะรักษาศีลเป็นต้นอย่างนี้ได้แลีน่ยะเขาถึงการปฏิบัติอย่างนี้ได้เนี่ยคือเขาต้องมีปัญญาในระดับหนึ่งแต่ปัญญาในที่นี้ก็คือการที่เอาความรู้นั้นเข้ามาสู่ในใจเนี่ยคือถ้าความรู้ยังอยู่แค่ที่สมอง แต่คือบุคคลเปิดหูได้ฟังธรรมะละข้อมูลต่างๆเหล่านั้ น, นเข้ามาอยู่ในระหว่างหูก็คือสมองเข้ามาอยู่ในระหว่างหูอยู่ในสมองคุณจำได้มีการแยกแยะแจกแจงข้อมูลต่างๆเหล่านั้นก็เปลี่ยนออกมาเป็นความรู้มีการแยกแยะจัดหมวดหมู่จำได้ภาษานั้นภาษานี้เป็นความรู้จากข้อมูลดิบที่เราฟังมาได้ยินมาอ่านมามาเป็นความรู้อยู่ในสมอง ควา ม, มรู้อยู่ในสมองนี่ยังดับทูกไม่ได้ทจำฟังแต่มันต้องรู้ยิ่งคําว่ารู้ยิ่งตรงนี้ก็คือเป็นความรู้ที่เข้าไปสู่ในใจจากสมองตามลงมาอีกแต่เข้าไปสู่หัวใจใจนี่แที่จะเป็นตัวขยับปากขยับมือขยับเท้าแตะมีความคิดอยู่ในใจสมองที่เป็นความคิดนึกเป็นความดําริเป็นคําพูดตรงนั้นแต่ยังไม่ใช่จิตที่ลึกลงไปกว่านั้นนั่นคือจิตแต่เราเอาความรู้ตรงนี้ เข้ามาในใจและโดยการตั้งเอาไว้ทำเอาไว้บุคคลที่มีศรัทธาทำฟังบุคคลได้มีความมั่นใจทำฟังแต่จะนําธรรมะให้เข้าสู่จิตไปเลยมันจะทะลุลงไปถึงจิตมันจะเย็นชุ่มเย็นอยู่ในใจคือคนที่ฟังธรรมะแล้วมีการปฏิบัติการปฏิบัติการที่ทําจริงแน่แน่จริงนั่นแหละเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจในข้อมูลที่เขาได้รับฟังมา คือ <agreements. S 2> ถ้าได้ฟังแล้วอ่านแล้วรู้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เกิดการทำจริงการแน่วแน่จริงแสดงว่าข้อมูลที่ผ่านเข้ามานั้นยังไม่ได้ทำให้เกิดความศรัท ธ, ธาเต็มฟังเพราะว่าถ้าศรัท ธ, ธามั่นใจลงใจเชื่อใจแล้วมันจะมีการทำจริงแต่ถ้าไม่มีการทำจริงเกิดขึ้นแสดงว่าไม่มีศรัท ธ, ธาไม่เชื่อใจยังไม่ลงใจยังไม่มั่นใจที่ยังไม่มั่นใจลงใจเชื่อใจนั้นก็จะมีความเคลือบแคลง อาจจะมีความเห็นที่ขัดแย้งไม่ลงใจในข้อปฏิบัติในมัคอย่างใดอย่างหนึ่งพระเจ้าจึงบอกตรงนี้สมบูรณงบอกว่าบุคคลที่ได้ฟังธรรมนั้นแล้วเนี่ยย่อมถึงความามีศรัทธามีศรัทธาในพระตถาคตเจ้ามีศรัทธาในธรรมะที่ได้ฟังเพราะมีศรัทธาในตัวผู้สอนมีความมั่นใจในตัวผู้สอนมีความลงใจมีความเชื่อใจในข้อมูลที่ได้รับฟังมา จะมีความเห็นชัดเจนว่าตัวเราเนี่ยถูกต้องความทุกข์อยู่แล้วจเราถูกต้องความทุกข์อยู่ด้วยความเกิดบ้างความแก่บ้างความตายบ้างการที่จะพ้นจากความทุกข์ตรงนี้ได้แม้บางทีมันก็ยากลราจะทำยังไงให้การพ้นทุกข์การปฏิบัติที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เกิดขึ้นได้ก็นึกถึงการหลีกออกการหลีกออกจากเรื่องของการการหลีกออกในเรื่องของเย่าเรือนทรัพย์สินสมบัติต่าง จินันนอมไปสู่การประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์ตรงนี้แหละอาจจะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์นชนิดที่เป็นรูปแบบก็ได้หรือว่าการประพฤติพรหมจรรย์นในบางครั้งบางคราวอย่างเช่นว่าเอาท่านผู้ฟังฟังรายการธรรมะอยู่แล้เกิดการที่ว่าเอาในช่วงครึ่งชั่วโมงนี้ช่วงเวลานี้ฉันจะประพฤติปฏิบัติให้เต็มที่เป็นรูปแบบก็ได้แบบไม่เป็นรูปแบบก็ได้เอาสมาทานศีลแปในช่วงครึ่งชั่วโมงนี้หรือหนึ่งชั่วโมงนี้ ครึ่งวันนี้ฉันจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทําเป็นครั้งเป็นคราวอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะยาวนานกว่านั้นบางคนทําได้ครึ่งวันวันหนึ่งก็ดีบางคนอาจจะใช้ช่วงเวลาของวันพระบ้างหรือว่าวันสําคัญวันเกิดตัวเองหรือว่าวันใดๆที่เราจะอุทิศนะการทําความดีตรงนีนะ้เพื่อความดีให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราหรือบางคนอาจจะใสนะ่เอาตัวเองเป็นผู้ชายก็บวชซะ เดือนหนบ้าง2เดือนบ้างพันษาหนึ่งบ้างหรือนานกว่านั้นบ้างเดเพื่อที่จะประพฤติพรหมจรรย์และประพฤติปฏิบัติให้ถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ตรงนั้นหรือบางคนไม่ได้สามารถที่จะบวชในรูปแบบอย่างนั้นได้ก็มามีการหลีเล่นปฏิบัติธรรมวัดวาไหนหรือสำนักไหนเขามีการเปิดสอนการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบมีการรักษาศีลแปดอย่างนี้เราก็าไปฝึกไปทําใบปฏิบัติ7วันบ้าง10บวันบ้าง 15วันบ้างหรือนานกว่า น, นั้นบ้างในความเป็นกราวาธผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้ก็ได้บุคคลที่เป็นอย่างนี้คือคนที่ทำจริงทำจริงแล้วอาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ก็แล้วแต่แต่ว่ายังมีการทำจริงมีการทำการปฏิบัตินั่นก็เป็นผลของการที่เรามีความเชื่อใจความมั่นใจความลงใจในคาสอนของบัพุรเจ้าในพระตถาคตเจ้าตามไปแล้วจะทาให้ศีลเกิดขึ้นได้ จะนำให้มีการถึงพร้อมด้วยการสารวมทางกายทางวาจาทางใจการสารวมหมายถึงการที่มีอินทรีย์สังรวรในการที่จะไม่ให้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายเข้ามาผ่านทางตาเห็นภาพที่น่าพอใจก็ไม่ให้ความกำนัดรุ่มหลงเกิดขึ้นในใจได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจก็ไม่ให้ความโกรธความขัดเคืองความรุ่มร้อนเกิดขึ้นในใจ ได้กลิ่นที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่ก็เห็นถึงความไม่เที่ยงของผัสสะของความรู้สึกที่เป็นอาทุกขมาสุขเวทนานั้นเห็นความไม่เที่ยงของมันตรงนั้นเห็นอยู่อย่างนี้นต่ก็เรียกว่ามีการสุโมหินสีปูที่เป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสติมีสัมปชัญญะรักษาการรักษาใจไวาอย่างนี้ไปหลีกเนอยู่เป็นผู้สันโดษบ้างเสพเสนาเสนอันสงัดด้วย ก็จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีสมาธิแล้วมีจิตเป็นอารมณ์อันเดียวเห็นสิ่งต่างๆผ่านมาก็ผ่านไปใจของเราไม่เข้าไปเกลียกลัวในอารมณ์นั้นๆจะเป็นความสุขก็ตามเป็นความทุกข์ก็ตามจิตเป็นอารมณ์อันเดียวอยู่อาจจะมีความคิดนึกอาจจะนึกถึงคนนั้นอาจจะนึกถึงคนนี้อาจจะได้ยินเสียงตรงนั้นตรงนี้แต่ใจนั้นไม่เข้าไปเกลียกลัวสิ่งนั้นเปรียบเสมือนว่ามันผ่านมาก็ผ่านไปลมนี่ ลมันพัดเข้าไปในของสะอาดบ้างหรือของไม่สะอาดบ้างพัดผ่านเข้าไปในอุจจาระปัสสาวะข อ, าของเน่าของเหม็นอาหารต่างๆแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกอิจนารารังเกียจไปตามของเน่าเหม็นนั้นมันก็ไม่ได้รู้สึกชอบใจลุ่มหลงไปตามอาหารหรือว่าอะไรที่มันพัดพาเข้าไปลมมันก็ยังคงเป็นลมเหมือนเดิมลมมันก็มีธรรมชาติที่พัดไปพัดมาเหมือนเดิมไปถูกต้องกับสิ่งใ ด, ด้มันก็ไม่ได้ยินดีชอบใจ ลุ่มหลงเปลิดเปลินหรือว่าขาอยากแย่งเกลียดชางในสิ่งนั้นนั้นเหมืนก็เป็นธรรมชาติของมันไปใจเราก็ให้เป็นอย่างนี้ทำฟังมีสิ่งใดมากระทบสิ่งนั้นก็เป็นไปตามเรื่องของเขาแล้เขามีเหตุปัจจัยมาเป็นอย่างไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันเหตุปัจจัยมันยังคงอยู่มันก็อาจจะยังอยู่เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแต่แต่จิตผู้ที่เข้าไปรู้ความรู้สึกนั้นจิตที่เข้าไปรับรู้ถึงเสียงนั้น จิตที่เข้าไปเห็นภาพนั้นๆคิดถึงสิ่งนั้นๆนี่แหละอย่าให้วันไหวสั่นกลอนสันสะต้านเสเทือนไปตามสิ่งที่มากระทบแต่นะแต่ให้มีที่ตั้งที่ระลึกถึงในะที่พึ่งที่อยู่อย่างถูกต้องสิ่งที่เราตั้งเอาไว้ระลึกถึงเอาไว้ตามใจเราให้มั่นคงให้มีความเด็ดเดี่ยวห้าวหาญนั่นะคือพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านผู้ฟัง และมั่นใจได้เลยมั่นใจได้เลยแล้มีสิ่งใดมากระแทกกระทบกระเทือนแล้วเราจะเป็นผู้ที่ไม่ขนพองนั่นะคือเป็นผู้ที่ขนตกสนิทก็คือว่าไม่สะดุง้งสะทานสะเทือนพรพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างให้าฟังเปรียบเทียบกับการรบ่นักรบออกรบนะไปแนวหน้านี่แหละสู้ศึกนะเป็นเหมือนกับด้านคมของมีดเป็นเหมือนกับด้านแหลมของหอกเดิมนะที่จะต้องพุ่งไปก่อน เจอฆ่าสึกก่อนแต่บุคคลพวกนี้จะมีความห้าวหาญมีความกล้าหาญมีความที่ไม่ถอยแต่บางทีเจอฆ่าสึกมันอันตรายมากแต่มันน่ากลัวมากแต่ถ้าจะมีความกลัวความระยอ่หอห่อหดระตมระทศถ ด, ดถอยหนีแตะไม่ได้ันรบนั้นเขาจะต้องมีใจห้าวหาญเขาก็จะต้องมีเครื่องระลึกถึงบางทีเป็นเสียงเสียงตีกลองใ ห, ใ, หให้มีความฮึกเหิมบ้างในสนามรบ บางทีเห็นเอาเห็นยอดธงของผู้บังคับบัญชาผูบังคับบัญชายังอยู่เอากลัสูนะ้ไม่มีความถดถอยหนีแตนะ่บุคคลที่ตั้งใจในการทําความดีไม่ถอยนะไม่หนีไม่เลิกราให้กับสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมก็จะต้องมีเครื่องที่จะทำให้เกิดความห้าหานความกล้าหานนั่นคือพระพุทธธรรมประสงค์บุคคลที่ระลึกถึงสัมมาสมัธธรรมพุทธะอยู่อย่างถูกต้องอย่างนี้ท่านฟังจิตใจนั้นมีความมั่นใจ มีความลงใจเหมือนกันนักรบที่มีอาวุธคู่กายมีอาวุธคู่ใจอย่างดีมีความมั่นใจในอาวุธของตัวเองนี่คือความมั่นใจมั่นใจแล้วสู้ไม่ถอยมั่นใจแล้วเดินหน้าอย่างเดียวมั่นใจแล้วไม่ระทมระทศไม่ถดถอยหนีแต่เป็นผู้ที่ทําจริงแน่แน่จริงในการที่จะต่อสู้กับพวกกิเลสทั้งหลายมีพุทธานุสติตั้งเอาไว้ท่านฟังระลึกถึ ง, รงพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอบางทีข้าพเจ้าเอง ลุกขึ้นในยามสุดท้ายของราตรีนั่งสมาธิพยายามทําจิตให้มีอารมณ์เดียวบางครั้งมาทบทวนเรื่องราวต่างๆของตัวเราที่ผ่านมาในชีวิตทบทวนไปทบทวนมาใกล้ครวญดูแต่บางครั้งก็คิดถึงพระพุทธเจ้าตัวข้าพเจ้าเองทำฟังก็ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าตัวเป็นๆว่าหน้าท่านเป็นยังไงหูเป็นยังไงตาเป็นยังไง แต่มีดีที่สุดก็รูปภาพที่เขาเขียนเอาไว้พระพุทธรูปที่เขาปั้นเป็นปางต่างๆให้เราดูให้เราเห็นแต่เราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเอ๊ตัวเป็นๆของท่านจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เห็นตัวเป็นๆ เ, เราจะรู้จักท่านไหมเราสามารถที่จะบอกได้ไม้มวันนี้แหละองค์นี้แหละคือสัมมาสมัมพุทธะบางทีเราไม่รู้ได้เลยคือข้าพเจ้าไม่สามารถบอกได้เลย ลำฟังที่เขียนจุดหมายมาถามหรือว่าส่งข้อความมาถามบางคําถามข้าพเจ้าก็ตอบไม่ได้นี่ก็เป็นหนึ่งในคําถามที่ข้าพเจ้าจะตอบไม่ได้แต่ว่าหน้าตาของพระชจ้าเป็นยังไงกันแน่แต่แล้วมันจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าการระลึกถึงพระพรทชเจ้าที่ถูกต้องนี่แหละทํานบวงคือการระลึกถึงพระชจ้าที่ถูกต้องคือระลึกถึงคุณธรรมของดั้นพระชจ้าตอนสมัยเด็กๆก็หน้าตาแบบหนึ่งแน่นอนไม่เหมือนกับตอนที่ตรัสรู้แล้วตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆ ก็หน้าตาก็คงจะต้องเปลี่ยนไปจากตอนที่ปริญิพานก็ต้องเปลี่ยนไปแน่แล้วจะเอาตรงไหนที่จะเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงดีเอาตรงจิตนะบ๊วยฝังจิตที่มีความเป็นสัมมาสัมปุทธ h ตรงนั้นน่ะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเป็นที่มั่นคงเป็นที่พึ่งเป็นที่เกาะเป็นที่ให้เหนี่ยวรั้งไว้ได้เป็นที่ให้จับได้เป็นที่ที่ให้เรานั้นพึ่งพาอาศัยในคุณงามความดีได้เราระลึกถึงตรงนี้อยู่ในใจของเรา ให้มั่นใจเตือนบุนฟังว่าพระพุทธเาอยู่กับเราอยู่ในใจของเรานี้แะจะอยู่ในพระเครื่องที่ท่านบุฟังมีหรืออยู่ในพระพุทธรูปตามวัดตามบาพระประธานต่างๆที่เราไปผ่านมาพบมานัะ น, นั่นก็ยังไม่ใช่หรือแม้แต่ให้เห็นตัวพระพุทธเจ้าเ ป, เป็นเนื้อของท่านนางของท่านจีวรของท่านนั่นก็ยังไม่ใช่แต่ที่ใช่นั้นคือจิตใจที่เป็นสัมมาสัมพุโตจิตใจที่เป็นอรหันต์คือใกล้จากกิเลส จิตใจที่มีความเป็นผู้ไปด้วยดีเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้โดยโปร่งเองแล้วก็สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและก็ปฏิบัติเพื่อให้ถึงวิชานั้นเป็นผู้ที่ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้ที่รู้โลกอย่างจำแจ้งเป็นผู้ที่สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยางไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ดับทุกข์ได้ทั้งในโลกนี้ในทั้งเทวโลกมารโลกในปรมโลกสามารถประกาศธรรมะให้สรปสัตว์ในโลกต่างๆเหล่านั้นรู้แจ้งตามได้มีการแสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุดเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติที่บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงสอนธรรมะได้ลึกซึ้งสามารถแสดงปาฏิหารคืออนุสาสนีปาฏิหารให้บุคคลที่ฟังแล้วรู้แล้วหลีกออกจากเรือนบวชแล้วทำความเป็นพุทธะพุทธโธคืออนุพุทธะให้เกิดขึ้นในใจได้อนุพุทธะนันก็หมายถึงการที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้านั่นเอง เราเระลึกถึงพระุทธเจ้าอย่างนี้เราคลายความคิดถึงได้เจรใจเรามีความเย็นความสบายอยู่ในใจมีความมั่นใจในคำสอนมีความมั่นใจในการปฏิบัติแน่นอนข้าพเจ้าพระมหาภัยบูญอภิปุโนชเวรินพอด